ทำกันการเลรือธรรมาจรกน้ำการฟังธรรมธรมการเป็นเวลาอันสูงสุดเป็นมงคลดังสูงสุดการฟังธรรมคือการฟังเรื่องของเราของชีวิตเราไปแช่เล่าเดยยาย ชีวิตเราเป็นเป็นธรรมมีกุศลบ้างมีอกุศลบ้าง <c oughs> กุศลเือความดีอกุศลคือความไม่ดีหรื่อบุญว่าบาปทำไมบุญไม่บาปชีวิตเรานะ ใ ห, หาาให้รู้จักหน้าจากตาบาปให้รู้จากหน้าจากตาบุญสัมผัสบุญบาปทต่บุญเป็นไม่ทำบาปได้ถ้าเรามาศึกษาเรื่องธรรมะนะทุกคนมาละบาปจะละบาป มาทำความดีมันก็เปิดสันติสุขสันติภาพขึ้นโดยเฉพาะมาปฏิบัติทรรมเนี่ยมันเป็นสูตรลัดๆไม่ต้องใช้สมองให้มันเปลืองอะไรกำหนดความรู้จักความลึกได้ เากายเอาใจเป็นตำรับตำรากำหนดลงไปมันผิดก็ผิดตรงนี้มันถูกก็ถูกตรงนี้ถ้าเรามีสติมันก็แก้ไปเองถ้าไม่มีสติก็ไม่เดือดแก้ละแทนที่ความผิดจจเป็นคู่เคยทำความผิดซ้ําไปเป็นอนุสใจ ตันงแเกิดจนตายหมหรือความทุกข์ก็เหมือนกัน ล, โลมโกคธลมโกรธมหลงก็เหมือนกันแทนที่มันจะหมดไปซะยามันเป็นปัญหาต่อชีวิตเราต่อกายตัวใจแล้วมันก็จบได้จริงๆไอเรื่องนี้เพราะเราเห็น เวลาที่เราเจริญสติมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นเห็นอันเดียมันเกิดขึ้นอันที่มันไม่เกิดขึ้นเราเจต น, นาสร้างอยู่เนี่ยเป็นนิมิตหมายที่เราอาศัยที่เราจับเราเกาะไว้อยู่เนี่ยมันก็จะบอกเราว่ามันคืออะไรไม่ต้องไปคิด หาคำตอบไม่ต้องไปคำนวณประเมินตัวเองปฏิบัติธรรมไม่รู้อะไรเลย <c oughs> แต่นี่ไม่ถูกต้องจะไปผิดก่อนผิดจะไปรู้ก่อนรู้ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเรามีสติถ้าไป ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปก่อนตัวไม่รู้อันที่มันคิดอยากจะรู้มันไม่มีหรอกตัวรู้ที่มันรู้อยู่นี่มันมีอยู่รู้สึกตัวเนี่ยพลิกมือขึ้นพลิกมือลงเนี่ยมั น, นมีอยู่อยากไปหาอื่นมันมีทับมันเป็นยังไงเวลาใดที่มันหลงไปมันรู้จากรู้สึกตัว ความหลงกเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเรียกว่าปฏิบัติธรรมมีทำแล้วมีศาสนาแล้วมีพุทธศาสนาลู่ตื่นขึ้นมาแล้วถ้ามาหลงเราปล่อยให้ความหลงอยู่เฉยๆแม่จะว่าพุทธังสารนังกัจจามิธรรมังสารนังกัจจามิสังขังสารนังกัจจามิก็ไม่มีประโยชน์อะไร าวเจ้าอาศัยพุทธเ จ, าาเ จ, า จ, จาา้าข้าวเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งพวงได้อาศัยพระธรรมข้าวเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งพวงได้อาศัยพระสงฆ์จึงพ้นจากทุกข์ทั้งพวงได้ไม่ใช่คำพูดจะแล้วจึงเป็นวิธีรัดรัดพอรู้สึกตัวมันก็พ้นไปแล้วพ้นจากความหลง เมื่อไม่มีความหลงก็ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความทุกข์ตัวแปรมันคือความหลงแปลไปเป็นอะไรก็ได้ตัวรูป ก, ก็แปลไปเป็นบุญกุศลเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเราจึงมาเห็นเนี่ย เห็นอันเราทําอยู่เนี่ยอย่าไปคิดเห็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องคิดเห็นมันเป็นการพบเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการต่างต่างที่มันเกิดขึ้นกับรูปมันเป็นสูตรไปนะแม้มันจะกับหน้ากับหลังก็ไม่เป็นไรทวนมันอีก ก็ดีหมือที่มันไปแล้วนึกว่าตัวเองพ้นทุกข์แล้วเอา้าโอ้เหตุปัจจัยมีบ้าเข้ามาเราเาทุกข์นึกว่าเราพ้นจากความโกรธแล้วเอา้าปล่อยไม่เหตุปัจจัยกิขึ้นมันโกรธวังชีวิตก็เสียใจกับอาคารที่เกิดขึ้นกับตนว่าปฏิบัิธรรมไม่ได้ผลไม่เป็นไร เคยโคตรอยู่หนังสือสวดมนต์ธรรมวัดก็มีท่านธรมวลงไว้มา่าช้างมาห่าช้างเนี่ยความโกรธเหมือนหมาช้างเหมือนสติแค่นั้นเอง ไม่ต้องไปเสียใจจะไปประเมินเออปฏิบัติทรมาหลายปีแล้วออไม่ไปถึงไหนเลยไม่ต้องไปประเมินแบบนั้นมันลู้อยู่ไว้ใจเ้วถึงตัวลู้จะไปถึงไหนที่ใดถึงตัวลู้ถึงตั ว, ตวเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตากับใจเรา มีอะไรมันเกิดให้เห็นตลอดมันไม่ปิดปังกำพงังถ้าเราศึกษาเรื่องกายเรื่องใจมันเปิดเผยเพราะมันเป็นสูตรเป็นหลักสูตรศาสนาก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นตรงนี้ การศาสนาเจริญก็คือเจริญตรงนี้ศาสนาเสื่อมก็เสื่อมตรงนี้เดี๋ยวนี้กำลังกวดท่วงกันที่รัฐสภาขอให้วันจุพระเถศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติอะไรมาเป็นตัวศาสนากันแน่ ยังผูกเศ ษ, ษยังทำอย่างอื่นมากพิธีกรรมอะไรมากมายการที่มาสร้างความรู้สึกตัวทำลายความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ไปทำมาเด่นซะห็นบนุญเอาเงินไปซื้อเอาไปแลกเอาการทำบุญก็คือมีสิ่ง วัตถุที่ไปเปียดเอาว่าได้บุญแล้วได้ทำแล้วได้บุญแล้วได้ก็ว่าเองไม่รู้จรกงจริงหรอกบุญนะบุญไม่ต้องมีอันแรกอันถามีสติมีความรู้สึกความเลือกได้เนี่ยจิตใจมันค่อยสาดบริสุทธิ์ค่อยรู้ กรู้ที่มันรูดโลกในกายใจใจเนี่ยมันรูดเนี่ยเพื่าเป็นบุญได้รูดลูดลูดนาำก็เป็นบุญจะได้รู้จักช่วยรูปช่วยนาำแล้วปล่อยปะละเลยรูดนามก็เรามานานเท่าไหร่ปล่อยให้เป็นทุกปล่อยให้มีปัญหาเรื่องลูดคือกายเรื่องนามคือจิตใจหรือ ความคิดนึกต่งตางต่ไม่เคยช่วยแบบนี้เรามาช่วยตัวเนี่ยก็เรียกว่าทำบุญนะเมื่อเรามีบุญเรารู้จักช่วยตัวเองจนพ้นบาปเราก็ช่วยคนอื่นนะเห็นบาป นี่เป็นเรื่องที่ที่สำคัญเป็นเรื่องกบจัดก่อนอื่นได้ mm. เช่มันหลงก็รู้จึกตัวเนี่ยมันกำจัดแล้วนะมันจะไปถึงความกวดได้ไงถึงความทุกข์ได้ไง เนี่ยมันเป็นการทําความดีแล้วความชั่วจิต ก, ก็บริสุทธิ์ไปพร้อมกันพร้อมกันขณะเดียวเลยเหมือนเราจุดแสงเราจุดตะเกียงแสงสว่างก็เกิดขึ้นเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ทำลายความมืดก็มืดก็หมดไปทันทีเมื่อไม่ีแสงสว่างแม่น้อย เป็นแสงหิ่งห้อยก็ยังสว่างเรามองเห็นได้ถ้าแสงสว่างดีอ่อนมันก็อามหนังสอได้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์มันก็รู่โลกอย่า ง, งแจ่มแจ้งสว่างด้วยศิลด้วยธรรมสว่างทั้งกลางวันกลางคืน ไม่มีโอกาสพกิดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจอ่านออกตอบได้มันเป็นสูตรของมันอยู่มันเป็นของแค่กันอยู่เช่นพูดเมื่อวานว่าเมื่อไม่เกิดก็ต้องไม่ไม่เกิด <c oughs> เมื่อไม่แก้ก็ต้องไม่ไม่แก้เมื่อไม่เจ็บก็ต้องไม่ไม่เจ็บเมื่อไม่ตายก็ต้องไม่ไม่ตายมองตรงกันข้า นั่นอะไรมันเกิดอะไรมันเจ็บใบมันแฉ่อะไรมันตายที่ไม่เกิดไม่แฉะไม่เจ็บไม่ตายมันคือทำอย่างไรไม่ใช่ตัวรูปตัวกายเกิดตายเกิดมันมีเกิดหลายหลายอย่างเช่นเราตรวจเมื่อก่อนนี้เราไม่พบจารได้แเล่นต้องเที่ยวไปสงสารเป็นอะไรกชาติพระพุทธเจ้า ตั์เป็นพุทธภาสิตอันแรกเรียกว่าปรรมะปฐมพาสิตแล่นไปเกิดอะไรวันหนึ่งมันเกิดบันดับมันเกิดบรดับเกิดอะไรบ้างมากมายนับไม่วนในรูปก็เกิดถ้านั่งถ้ายืนถ้าเดินท่านอนในน้ำก็เกิดทาความโศกความทุกข์เกิดของโลภความกรควา ม, วา ม, วา ม, วามงเกิดลเกิดชัง ไม่รู้จีชาติวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงท่องเที่ยวไปในความรักแต่ความชังในความยินดีในความยินไล่ถ้ายังไม่เกิดแบบนี้การเกิดจากคันมาลาก็ต้องมีแน่นอนก่อนที่จะเกิดเป็นผู้เป็นคนในคันมันต้องเกิดจากจิตใจของคนก่อนขอเขากคงวำเนิดด้วยวัตถุ ส่วนศาสนาเคากว็เนิดด้วยสติสัมชัญญะดับผมเกิดได้เนี่ยอันเกิดที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นมหาภูตะลูกมันมาให้เราใช่เพื่อได้มักได้ผลไม่ใช่ใบฆ่าตัวตายเหมือนศาสน า, าที่เขาข่างศาสน า, าพาลูกเสดฆ่าตัวตายไม่ใช่แบบนั้น ถ้าบาังค่ามันมันจะเกิดมรรคเกิดผลได้ยังางต้องเอาเอาอรูปอน้ำนี้มาสร้างมรรคสร้างผลอย่าไปลงโทษรูปอย่าไปลงโทษ ด, ดามมาช่วยกันยกบันขึ้นมาเมื่อมันหลกยกบันให้รูปเว ม, มโกรธจกออกให้บันไดโกรธวันหนึ่งเราสนุกแค่ตัวช่วยรูปช่วยดามมันเป็นบุญ ก็รู้จักช่วยรูปช่วยดงังพอรู้จักช่วยจะอื่นวัตถุอื่นคนอื่นได้นี่เกิดแจกที่ไรมันแจกงอกอย่างองอแแจกแจกตัว ป, ปีเลยอันนี้หรือแจกใช่อันนี้ก็ถูกเพราะมันอันนี้มันไปตามกาลเวลาอันความแจกเช่ความโกรธเนี่ยมันมก็แจกเป็น หลมโลกมันก็แจอเป็นความหลงมันก็แจอเป็นมันไม่ยั่งยืนสิ่งเหล่วนั้นนะมันแจอพอมันเจอแล้วก็เจ็บเพราะความโกรธเจ็บเพราะความรักความชังเจอะไปก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไปตายจากพวกไปแล้ไปมาพวกเกิดดับเกิดดับแล้วมันเกิดเจเจ็บตายอยู่อย่งนั้นในวัฏฏสงสาร นับไม่ถ้วนเรามาเห็นอาการเกิดดับของรูปนามหรวงพ่อเทียนสอนเบืองต้นให้เห็นอาการเกิดดับของรูปนามพอรู้จักรูปนามแล้วนะตัวเกิดดับมันจะชัดเจนเหมือนเราไปไฟส่องเห็นเห็นชัดเจนอาการเกิดดับของรูปตามสุดท้ายคือการ ดับไม่เหลือของนามลูกไม่ใช่ลูปตามนะนามมารูปนามมารูปเนี่ยมันเกิดทางอายตนะรูปนามมันเกิดจากคันมันได้ น, นามมารูปมันเกิดจากอายตนะตัวจากไหมอายตนะเกิดาหูจมูกลิ้นกายใจโลภรสินเสียงสัมปัตอารมณ์อันนั้นมันนามลูก มันเกิดเพราะนามรูปมันดับแลนะ้วการดับไม่เหลืออย่างอาจารย์พูดท่านมันก็เหนือแล้วเหนือการเกิดเจ็บจะตายแล้วไม่มีใครไปเกิดไม่มีใครไปเจ็ไม่มีใครไปเจ็บไม่มีใครไปตายเมืม่อหลัจงจากการเกิดที่มันเกิดจากนามรูปมันไม่มี นี่แหละพระพุทธเจ้าตัดว่าชาติเช่แล้วพรมอาจารย์อยู่จบแล้วจิตตื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วนะมันเป็นสูตรอยู่กับชีวิตเรานี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วสูตรที่ก็ปฏิบัติทําอยู่นี่ไม่ต้องไปเชื่อใครเราทําอยู่นี่เราก็เห็นของเราเราก็แจ้เราอยู่นี่ ไปไหนก็อยู่กับเราเอาไปเถอะไปไหนก็ไปเราเห็นแล้วจับสายชีวิตได้แล้วหลุดพ้นได้แล้วรู้จักหลุดพ้นเป็นมีปัญญาเป็นตัววงลิปปิดวงลิปเปิด เป็นข้อธรรมต่างๆเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาเนี่เป็นวงลิบเปิดไปให้สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันมันมีความสมบูรณ์ศรัทธาถ้าศรัทธาลอยๆไม่มีในหลักธรรมต้องมีปัญญาวงลิเปิด ปิดวัดรอบสุดท้ายคือปัญญาถ้ามีศรัทธาเนี่ยเขยกโกกันอย่างศีลสมาธิปัญญาศรัทธาเนี่ยพยระุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับเนื้อนาไมนาทำนาวิยะคือความเพียรเนี่ย ความเพียรขยามที่ทําคนดีทําสร้างจิตเหมือนกับน้าฝนจะโรยลงในเนื่อนานาเราก็ชุ่มมีสติตท่องอยู่กับกายกับใจเรียกว่าเนื่อนาในจิตถ่าชุ่มเป็น ม, มา้ม่เหงาแทงมีความเพียรวิยะคือความเพียรเหมือนเนื่อนา สติเหมือนก็นเข้าปูเข้าพันบานลงไปในเนื้อหนานในกายในใจเรานะสมาธิรู้จกักฝวนดินฝวนหญ้ากักบพลิกเปลี่ยนเรียกว่าสมาธิ เป็นไร่เป็นดีมันลงเปลี่ยนเป็นรูดสมาธิมีกําลังเปลี่ยนไหมหรือไม่มีกําลังยอมมันครึ่งวันค้อนวันนะมันหลมเพี้ยนเรียกว่าสมาธิแล้วก็มีปัญญารู้จักบอกตัวเองเหมือนชาวนารู้จักไคลำเข้าไคลำบอกเมอมท่ ว, ม, ทวมบอปล่อยลำบอกเมอมันมแห้งก็กรากด้ามม้วนมันปรับ อินทร์ปรับอายตนะปับความเพียรให้พอดีพอ ด, พอ ด, พอดีปรับให้เป็นมัชฌิมาปฏิปฏาทาข้อธรรมต่างๆเอามาเป็นเครื่องบือสอนตัวเองได้ไม่รู้ไม่ได้เรียนไม่ศึกษาพอแล้ววิสติไม่ต้องแจอแจงเหมือน หมอส่วนตีพูดว่าไม่ไม่แจกไม่แจมีสติอย่างเดียวพอแล้วเช่นการที่ไปรักิเลสยาตะเปรียมีเปรียรยารอบยาตะเปรญากําหนดรู้หรืการรู้ ลักษณะปริญญาตาหนดรูดในการแจกแกงหาปริญญากาหนดรูดในกละลำดับของปริญญาในชีวิตเราผู้ที่มีสติหมอเสนตว่าไม่ไม่ไม่มีแต่รู้อยากเดียวมแต่รู้อยากเดียวตั้งหละ ถูกต้องที่สุดแล้วมีทั้งหมดแล้วพอมันอะไรเกิดขึ้นรู้รมันมีแล้วไม่ยาตะปัญญาตีละคะณะปัญญาเข้าถึงตัวาารู้ปัญหาณปัญญาทําให้จริงที่มันเกิดขึ้นหมดไปมันหลงความหลงหมดไปความทุกข์ความทุกข์มกหมดไปไมีครบทั้งยาตะมีครบทั้งตีละคะณะแกกแกงมีครบทั้ง ปหานาปริญญาวันวัยจนเรามองไม่เห็นเหมือนกับเราทิ้งของจอกที่สูงลงสู่ที่ต่ำข่าวที่มันแบกลงมาถึงพื้นดินเนี่ยน่าไม่ได้หรอกวามันผ่านอะไรการปฏิบัติธรรมน่ยอาจารย์พุทธาสพูดว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเบลามโนเหมือนอะไรเร็ว เร็วมากเร็วยิ่งกว่าแสงเสียงยงังแค่เหมือนฟ้าแพรบมาถึงเรานานจอใไกไจะยินเสียงฟ้าร้องเพราะแสงมันไวก็เสียงมันมาที่หลังตัวสติเนี่ยถ้าจะเปรียบเหมือนแสงฟ้าแรบเลยแบบถ้าเราฝึกให้คล่องตัวดีๆครับ รอบเลองหลับรู้ปั๊บเนเป็นทั้งอะไรเครื่องมือในหมวดจำที่เอาไปสร้างบุญสร้างบุศสมีทั้งทานมีทั้งศีลทานก็มีหลายอย่างงาไล่กันอยู่ <c oughs> อาภัยทาน วัตถุทานท ร, รมาทานเอาไปหรือไกลไปแล้อบัอภัยทานก็เออให้อภัยกันไม่เป็นระดอกฝังที่หาบุคคลที่สามมาเป็นกลางให้สุดก็การเถนะดีกันลับขึ้นไปไอก็ดีกันขึ้นเดียวอภัยทานวัตถุทานมีวัตถุสิ่งของจากวันนี้ เขามาบางุนหาพ่อหาแม่ทำให้ผ้าผ้าผ้าผ้าไหมสิ้นไหมขางเกงเสื้อแล้วเขียนว่าอุทิศให้พ่อนั่นแม่นี่นะแล้วพ่อก็กรับจำนวนร้อยบาทรับเอาเบอกเขาระไว ไหวลราก็ตรวจน้ำพอตรวจน้ำเสร็จโยมทำหน้าที่ทานวัตถุทานจบแล้ววันนี้เรื่องของพ่อที่รับทานจากญาติจากโยมจะทานต่อให้เอาไปใช้อันนี้เป็นของทานแล้วให้ทานให้ได้บุญสองต่อ เอาเป็นสมบัติของเราก็ได้ของพ่อของเราผืนนี่เสื้อผืนนี้กา ง, งเกงผืนนี้ผ้าถุงผืนนี้ผ้าเบี่ยงบ้าผ้าไหมผืนนี้เอาไปนี่ของแม่ของพ่อเราเอไปคืนไปเอาไปได้บุญสองต่ออันนั้นบางคนไม่มีเลยไม่มีเงินสักบาทที่จะไปทำอย่างนั้นทานได้ไหมทานได้ทำมาทานนี่แล้วเราลู่อยู่เนี่ยอาภัยไหม ภัยมีวัตถุไม่มีตาก็เป็นวัตถุหูก็เป็นวัตถุมันเกิดอะไรเกิดทุกข์เกิดหลงเกิดโกรธเกิดลักเกิดชั่นสลับลงไปจากไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวจากสละอารมณ์เน่าที่เป็นฆาศึกต่อ จ, จิตใจเนี่ยบุญอะเสียไม่เสียเยงินสักบาทแลยจะออกไปอย่าไปบริจาคจะทานจะ ความโกรธความโลภความทุกข์ความรักความชางังความหลงยังเต็มอยู่ไม่มีขึ้นมาจากครับเพราะอย่างนี้ข้าจึงได้หัวใจเพราะด้า น, นการเจริญจิติเนี่ยมันไวรัดไปหมดเลยมาเป็นพวงมาเป็นพวงพวงจับมันเดียวมาเป็นพวงไปเป็นพวงเหมือนหลวงไวต์ัดเคี่ยหันอยู่อยู่เนี่ย มันขุมโดนมากแล้วก็ไปหาดูอ่ะมันเป็นยังไงเนาะน <c oughs> อเคฮะก็สังเกตตัดไปแล้วมยังไม่เหี่ยวมันอยู่ตรงไหนอีกเนาะฟ้ อ, องไปไปเห็ดตัดดีกว่าไงเหี่ยวเลยตัดตัวเนี่ยมันเหี่ยวไปขุมตัวไม้ขึ้นสูงเป็นสิบเมตรตอนนึ่ง นี่ก็เหมือนกันมีสติเนี่ยมันงาเป็นพวงถ้าทำลายก็ทำลายเป็นฝูงฝุงไปเลยกิเลสเนี่ยมันก็มีหมู่มีเขื่อมีเส้นในทางเหมือนกันบุญกุศลก็มีเส้นมีทางปฏิบัติธรรมเล่ไปจะเห็นอารมณ์สง ก, ณงกุศลต่างกุศลอารมณ์ส รูปบุญรูปบาปรูปศาสนารูปพุทธศาสนาเป็นลมเบื้องต้นรูปรูปรูปนามรูปบุญรูปบาปรูปศาสนารูปพระพุทธศาสนาอารมณ์สองมาจากรูปกุศลอกุศลกุศลอกุศลเกิดละกุศลเกิดสร้างทำเลยไปมีแต่กุศลมีแต่อกุศลที่เกิดขึ้นเราฉันนุกระวัดมาอยู่หน้าจอ กุศลก็มาเกิดหน้าจออกุศลก็เกิดได้จอไม่ต้องวิ่งไปที่ไหนหรอกถ้าทำบุญก็จะดุกทำละบาปก็จะดุกลกเพราะไม่เห็นกุศลอกุศลก็ไปขอโทษใครมันทำในใจของเราแล้วจนมั่นใจ เห็นกุศลอกุศลเน่ยครอบจักรวาลเลยได้ช่วยพ่อช่วยแม่ได้ช่วยผู้คนได้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราจะต้องเป็นคนดีแล้วคนที่เห็นกุศลอกุศลเน่ะเขาเป็นคนดีเหมือนคนเห็นความผิดกำลังเป็นบัณฑิตถ้ายากมเห็นความผิดนี่ยเป็นบัณฑิตมาได้ คนผู้ที่มาเห็นกุศลหอกุศลในอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันประดับประดาชีวิตของเราเหมือนกับประดับเครื่องใช้กายใจให้รุดงามขึ้นไปเจียญญร์มยากก็งามขึ้นไปในิสัยใจคอก็ดีขึ้นนะ มีที่วางกายก็มีที่วางใบหน้าก็มีที่วางใจก็มีที่วางไม่เจกับคนรู้จักจกุศลรือกุศลไม่เจ ก, กะไม่ลงหลังกับอะมีที่วางแป๊บเป็นระเบียบถ้ากายใจมันเป็นระเบียบอันดื่นก็ค่อยเป็นระเบียบไปด้วยเป็นระเบียบไปด้วย เ, เอาเถอะนะการปฏิบัติธรรมน่ะคบของชอ น, ง น, น, นมาเป็นพวงทำความดีมาเป็นพวงแล้วครบชั่วหมดไปเป็นผูกพวงได้เหมือนกันอย่าให้เลี่งมันล่างหงส์ห <c oughs> มานกับเราที่ทำนีว่าลีงล่างห <c oughs> <c oughs> งส <c oughs> ์มันไม่อยากได้ยิน เรื่องของเรานะยาให้มันมีมากมาละมาเห็นกุศลอกุศลเจียงไปช่วย ก, กันดับไ้เหลือของนามมลูกเวลาความชั่วทำความดีรับความชั่วทำความดีทำกิจบริสุทธิ์ไปไล้ไปแล้วไปก็ไม่มีอะไรจะทำเลยเหมือนเช่นผมบังภูเขาการปฏิบัติทำไะ ไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมากมายหรอกอมาฝึกมาหัดเราไปทำไม่หนักไม่หนาเงื่อไหลใครย่ยอยเอาไปทำเดี๋ยวไหนก็ได้มันอยู่ที่กายที่ใจเรานี่ยแหละเหยาวความหนุ่มความสาวยาวความเท่าความแฉเหยาเพศเอาไว้เอาลทัทธิไปเป็นสิงหขวงกันเลย อ, อาละวันนี้ก็พูดจูกกันฟังเท่านี้ก่อนเท่า พ, พวกเรากักบกาพระพมกัน